ความสุขจะได้มาจากไหนคนจนวนมากเนี่ยที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้หวังความสุขจากภายนอกต้องคอยพึ่งพาสิ่งภายนอกโดยเพราะวัตถุสิ่งเสพอันนี้ใ่แง่นๆๆง เ, นเนี่ยคล้ายๆกับจิ้งเหลนนะก็คือว่าต้องรอคอยนะต้องรอคอยหรือพึ่งพาแสงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ย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 เช่นสถานเริงลมผับบาเคาราวเก๋อาจจะรมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะตำแหน่งนะหรือสถานภาพที่คนหนึ่งเขายกให้นะพอไปสแสวงหานะความสุดจากสิ่งนั้นมากๆเข้าก็กลายเป็นว่าพึ่งพายึดติดนะจนนั่งกลายเป็นท่าของมันนะ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 จริงๆ ร, งรง่างกายของคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการการพักผ่อนร่างกายประท้วงว่าฉันล้าแล้วฉันกอนอนได้แล้วแต่ว่าหมอหนุ่มเหล่านี้หนุ่มสาวเหล่านีน้คิดว่าไอ้ความทุกข์กายที่เกิดขึ้นเน่เป็นเพราะว่าหิวนันพอเสร็จงานก็ตรงเข้าไปหาของกินทันทีซึ่งมกักจะเป็นของที่ อ, อร่อยหวาน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 พอเสียงดังเข้ามานี่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจมีคนนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เก่งใจกันเลยเสียงดังจังเลยหลวงปู่ที่นั่นก็เลยท่านไม่ได้หลับท่านเองก็เลยปล่นขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอา้โหไปลองเกีย้ยเขาเองเสียงดังเนี่นไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อโอ้โหไปลองเกีย้ยเนี่ยหูไปลองเกียนะเก้ยเพราะอะไรนะเพราะไม่มีสติพอไมมีสติเนียหูมัก็หาเรื่องนะ พอเอาหูไปรองเกียบก็เป็นไงก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความหงุดหงิดขึ้นใจไม่สงบแล้วจริงถ้าไม่เอาหูไปรองเกี้เนี่มาเสียงดังยังไงนะใจก็สงบได้แล้วที่ไม่เอาหูไปรองเกีย้ยก็เพราะว่าออมีสตนะิมีสติรู้ทันเวลาใจกระเพื่อมมีสติรู้ทันว่าใจกระเพื่อมเพราะว่ามีเสียงมากระทบหู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 บางทีเขากาลังก่อสร้างนะกาลังตอกตะปูเสียงดังบางคนก็เอาหูไปลองคอนปวดทุกครั้งที่เขาตีตะปูนี่นเรียกว่าหูหาเรื่องเพราะไม่มีสติเขาตีตะปูยังไงใจเราก็สงบได้นะถ้าเราไม่หูไปลองคอนเข า, เนาความสงมันเกิดขึ้นในจิตใจเราอยู่แล้วนะสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของ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 หัวใจก็ตกึกตักตึกตักเขาไหวเขาดูดูนะดูดูใจนะไม่ใช่ว่าเท้าเหยียบลัดใจนะไปปักตึงอยู่ที่เท้าที่ถูกหินถูกกรวดทิ่มให้มาดูใจว่ามันบ่นโมยว่าที่พวยที่พายหรือเปล่าให้สังเกตดูใจว่าเนี่ยมันไปยึดติดกับมันไปจดจ้องอยู่กับเวทนาหรือความปวดที่เท้าหรือเปล่าความปวดไม่ชอบแต่ทําไม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 ที่เกิดจากการเดินยมันมันเป็นเพราะใจเนี่ยนะใจมันไปหาเรื่องเองที่ใจไปหาเรื่องนะเหมือนกับเอาหัวไปลองเกี้ยเนี่ยก็เพราะไม่มีสติก็เพราะว่าแม้เดินเดินจงกรมเท้าจะเจ็บกายจะปวดนะแต่ใจก็สงบได้ตรงนี้แหละที่พบว่าจะเห็นเลยนะความสงบันนี้มันอยู่ที่ใจเนี่ยแค ว, วามไม่สงบก็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 ให้ความสงบเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะว่าหลวงพ่อเห็นท่านใช้คำว่าเปลี่ยนลงให้เป็นรู้นะเริ่มจากรู้ตัวก่อนนะรู้ว่าใจมันกำลังบนนโวยวายตีโพยตีพายนะรู้ว่าใจมันเข้าไปยึดติดไปจดจ่ออยู่ตรงที่ปวดหรือไปจดจ่ออยู่ที่เสียงที่ไปคิดว่ามันมารบกวนและต่อไปมันก็พอเห็นเห็น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 สงบเย็นสดชื่นแจ่มใสาาชาเนี่ยพูกับตอนนี้นะครับพระ